พิสูจน์การปฏิบัติด้วยการกระทําอีเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ด้วยตนเองแล้วพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้ด้วยนะในสมัยใหม่ซึ่งสมัยก่อนก็คือลูกใครรูปมันตัวใครตัวมันแต่สมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเจริญทางวัตถุนั้นนํามาทำถ้าหากว่าให้มันให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนเหมือนวัตถุมันก็จะตามเขาช่วยเขาไม่ได้ เพราะคนมันไปติดวัตถุเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะไปช่วยของเราด้านนามธรรมาเนี่ยก็ให้เขาเห็นชัดแบบวัตถุได้เขาถึงจะรับได้ไม่งั้นเขาก็จะปฏิเสธในเรื่องศาสนาวิธีช่วยเหลือทางศาสนาไปหมดเพราะั้นพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะเราเป็นคนรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้าไปสื่อความหมายกับทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้ ดังนั้นสิ่งจำเป็นก็คือในช่วงฝึกฝนเนี่ยเราจะต้องทดสอบเฝ้าดูตัวเองตั้งแต่ที่พระอาจารย์อนว่าลเมื่อวัน ต, ตื่นนอนเราต้องสังเกตตัวเองต่องแต่นุ่นเลยแล้วเวลาให้รายงานอารมณ์เนี่ยเราก็ไม่ได้เอาเรื่องนอกประเด็นมาแต่เอาเรื่องที่เราได้สังเกตและศึกษามาทุกช่วงขั้นตอนของการใช้ชีวิตน่นแหละ ว่าเราสามารถตามตามรอยตาม ร, ร่องรอยตามแกะรอยการเคลื่อนไหวทางร่างกายและจิตใจวันวันหนึ่งมันไปที่ไหนบ้างเนี่ยการตามแกะรอยมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันนในพรานตามสัตว์ในมหายาน <c oughs> ท่านจะเอาภาพนักบวชจีนที่เป็นสัญญาสีนี่ย ตามตามรอยเท้าเป็นภาพที่มีเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากตามรอยเท้าโคตามรอยเท้าโคที่มันไปแต่แรกมันือเข้าป่าเข้าลุกเข้าพงไปอที่นี่ในพรานก็ตามนะตามรอยเหมื่อก่อนไม่รู้ตัวอยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนมันจะมีล่องรอยให้แกะไปเรื่อยๆตามไปตามไปตามไป จนกระทั่งเห็นไหวๆอยู่ข้างหน้าตามไปอย่างใกล้ชิดมันก็หนีไปเรื่อยๆแล้วก็ตามอย่างใกล้ชิดตามไปจนกระทั่งใ น, นที่สุดจับตัวมันได้พอจับตัวมันได้ก็เอามาฝึกเ อ, เอาโโหถึกมาฝึกฝึกจนมันเชื่องสามารถใช้งานได้แล้วทีนี้จะไปทำการทำงานในที่สุดก็สามารถขี่หลังเป่าคุยมันได้สบายเคยเห็นภาพชุดนี้ใช่ห เนภาพเซนมีทั่วไปหนึ่งซื้อเซนนะ่ยตามไปเท้าอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านเป็นปริศนาทำว่าในพรานตร น, นั้นก็คือเรานี่แหละเป็นนักล่าจิตวิญญาณของเราเองวางไปไหนกิเลสมันขี่หลังไปไหนบ้างเราจะต้องตามมันไปตามไปจุดขั้นแกะรอยตามไปเรื่อยๆว่ากิเลสมันพลักพาใจเราไปตรงไหนขับเคลื่อนไปเราก็ไปตาม ทีนี้ถ้าหากวาภาพชุดนั้นนะีน่ใสของสัตว์ป่าสัตว์บ้านมันก็ไปตามเรื่องหากินของมันแต่ใ น, นแง่ของจิตเนี่ยมันมีตัวกิเลส เ, เป็นตัวความเป็นป่าเถือนที่มันขับขยวจิตเราไปนะเราก็ตามมันจะเจอพอเจอแล้วก็นามันมาฝึกในขั้นตอนการฝึกเนี่ยคื อ, ค, อคือเราทำอยู่เนี่ยขั้นตอนที่จะต้อง หมายความว่าจับตัวมันได้แล้วตอนนี้จับตัวมันได้แล้วเอามาฝึกเทรนเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนเจ้านายให้มันจากนายกิเลสเนีมันเป็นนายปัญญามันก็จะาวางง่ายใช้ฟังได้ตามต้องการกายใจของเราเนี่ท่านั้นเองก็การฝึกก็คือการตามรู้เพราะฉะนั้นในการฝึกจริงๆท่านไม่ใช่คำว่าพิจารณาหรือคิด หรืออะไรต่างท่านใช้กับอนุปัสนากายาบกอนุปัสนาเวทนาจิตธรรมาอนุปัสนาอนุปัสนาสติกายะอนุปัสนาสติท่านใช้คำว่าตามตามเห็นเลยนะไม่ใช่ตามรู้นะท่านไม่ใช่อนุญาณอนุฌานอนุชานาติท่านใช้อนุปัสสะปัสะแปลว่าตามเห็นนะ ไม่ใช่ตามรู้อย่างเดียวแต่เรามาแปลว่าตามรู้ก็ยังไม่ตรงทีเดียวทัองว่าตามเห็นตามดูตามรู้ตามศึกษาตามเฝ้ารูหาคำหลายคำานมาใส่คำานี้ให้มันตรงเป้าหมายในนั้นในตามรู้กายในกายมันมีอะไรบ้างที่ตามรู้ตามรู้อาการตามรู้อาการ3、2 2ทวัดดิงสาการเร่นั้น ตามรู้อาการที่นี่อาการสาสองถ้าเราไปตามรู้ตามเห็นมันทุกส่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นสมถะไปเช่นดูผมดูขนหูเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหา ร, หาหารเก่าอะไรไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสมถะไปนะี่คือตามรู้ในส่วนเป็นอวัยวะแต่ในที่นี้ตามดูอาการตามเห็นอาการเพราะนั้นทวัดติงสะบวกด้วยอาการดัวนะั้นให้ตามดูอาการอาการเป็นยังไง อาการที่มันแสดงออกโดยรวมของอาการสามที่สองนี่มันก็จะมีสบายและมันสบายนะอันไหนที่มันไม่ชัด <c oughs> ก็เรียกว่ามันทั้งสบายไม่สบายก็เรียกออฐุคมาสุกนะมีสบายนะไม่สบายนะดามดูสองอาการสามอาการอาการที่สามเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นมันละหรือบางครั้งก็มองเห็นมันชัดตรงที่ว่า เมื่อสองอาการทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันอยู่ในช่วงเชื่อมต่อกันนะเช่นเราจากเปลี่ยนที่โยบดจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนอนในช่วงเชื่อมต่อใหม่ๆเราจะไม่เห็นมันชัดเราก็เรียกว่าสบายหรือเฉยอาการเหล่านี้มันมีอยู่แล้วคนที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอาการทั้งสามอย่างนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาก็คือจะต้องมาตามรู้ เห็นอาการทั้ง3อย่างให้ชัดตามรู้กายนะทั้งหมดทั้งที่เป็นกายหยาบกายกลางกายละเอียดในในที่นี้ท่านให้ตามรู้ทั้ง6อย่างทางกาย ท, งทังที่กล่าวมาวันก่อนนะตามรู้ลมหายใจตามรู้ดีบท4ตามรู้ดีบทย่อยตามรู้ธาตสี่ตามรู้อาการ3าสองตามรู้อสุภะปฏิกูลอะไรต่างๆเนี่ย เราก็ตามรู้ทั้งหมดหหมดถ้าแยกเป็นสัด ส, ส่วนออกมาแล้วมันเป็นร้อยอย่างนะนเฉพาะอนาปานาสติก็ไปหลายสิบหกแล้อีอบุอีก4อีบุย่อยอีกสิบอีกเจดอาการอีกสามสบสองอสุภาอีกหรวมมันเข้าเป็ร1อยมันมองไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะนั้นเต็มรวมอาการทั้งหมดมันจะเหลือแค่สานะรู้สึก สบายไม่สบายแล้วก็เฉยๆหรือเป็นกลางเขาว่าเฉยๆเป็นอาการของจิตขเขาโลกเป็นกลางก็แล้วกันนะทุกขเขาไม่สุขเราเป็นกลางระหว่างสุขระหว่างทุกข์นี่ตามดูอย่างเงี้ยตลอดเวลาทีเดียวอาการเนี่ไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นเราจะาทำอะไรอยู่ก็ตามมันจะมีแค่สามอาการนี่แต่ประการไหนๆเรารวมดูของร้อยอย่างให้เหลือแค่สามอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้มันชัดเป็นพิเศษ นะคมายแต่คาว่าชาัดกับเพ่งที่เราวิจัยไปนในวันก่อนว่ามันต่างกันยังไงถ้าเพ่งมันจะหนักใช่ไหมแต่ถ้าชาัดมันจะเบามันจะสว่ามันจะมันจะสบายเพราะฉะนั้นต้องไปแยกสองส่วนให้ชัดขณะ ด, ดูเนี่ยไม่ให้ชัดกลายเป็นเพ่งไม่ให้เพ่งกลายเป็นชัดได้ยังไงก็ตัดสินอยู่ที่อาการทางจิตมันบอกว่าเอออันนี้หนักไปนะอันนี้เบาสบาย ที่พอในในส่วนที่บอยสบายก็ต้องระวังองีกระวังอะไรระวังเพื่อที่ไปเสพมันเพราะเป็นนิสัยแล้วก็เป็นอนุสัยเดิมว่าอะไรก็ตามที่เราเบาสบายเนี่ยเราจะต้องการจํานวนมากขึ้นเช่นนอนสบายแล้วก็อยากจะนอนยาวขึ้นกินสบายแล้วอยากกินมากขึ้นคุยกันสนุกแล้วก็อยากคุยกันมากขึ้นฟังเพลินลก็อยากจะฟังมากขึ้นความสบายของตาหู สมุขลิ้นไก่ใจมันกระทบรูปเสียงกีิและสัมผัสมันมีความสบายแล้วถ้าเราไม่ได้ตามรู้ชัดๆเราก็จะเข้าไปเสพเพราะสิ่งที่ความสบายก็ดีไม่สบายมันมักจะเกินเสมอเพราะมันมไปตามลักษณะของสังขารที่เป็นต่รักมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง เ, เ, เ, เ, เป็นส่วนเกินส่วนเกินเพื่อจะเป็นทุกข์เพราะมันมัน มันไม่สามารถยึดดารงอยู่สภาวะเดิมได้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงเป็นทุกเป็นทุกคือส่วนเกินเราก็ตัดส่วนเกินเราคือตัดทุกออกนั่นเองคือปรับสบายแต่พอดีแต่เห็นว่าจะสบายเกินไปทําให้มันหนักขึ้นมาบ้างมันถ้าจะหนักเกินไปทําให้มันเบาลงมานิดนี่หน้าที่ของปฏิบัติของเราคือปรับหนักปรับเบาปรับสบายไม่สบายเนี่ยให้มาอยู่ตรงกลางไม่สบายจนถึงกับเสพและไม่ไม่ไม่ทุกจนเกิดถึงกับ วิ่งหนีหรือผลักดันต้านเพราะฉะนั้นหน้าที่การปฏิบัติก็ทําอยู่ในหน้าที่แค่นี้คือปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาเพื่อหาความพอดีจนกระทั่งความพอดีของกายที่เราปรับอยู่เนี่ยมันกลายมาเป็นนิสัยกลายมาเป็นยานเรียกว่าเป็นสกิลเป็นสกนะิลฟูลมาเป็นยานมาเป็นตัวชํานาญถ้ายังไม่ชํานาญก็เรื่องกันฝึก ฝึกตัวนี้ก็เป็นสมถะพอฝึกสมถะชำนาญแล้วก็กลายเป็นญาณก็เป็นวิปัสนาแต่ฝึกสมถะชำนาญถ้าในทางที่ไม่เป็นวิปัสนาก็จะไปเป็นฌานแต่ฝึกให้ชำนาญทางวิปัสนาก็จะเป็นญาณออกมาเป็นวิปัสนาญาณแทนที่จะไปเป็นฌานหนึ่งอหอย่างที่ทางสมถะทำแต่จะออกมาเป็นญาณวิปัสนาญาณตั้งแต่นามะลู่ปฏิเชธญาณเป็นต้นไปจนถึงปัจเจขณญาณ เฉะนั้นการตามรู้แล้วก็ปรับให้พอดีอะมันก็นั่นเห็นคือภาคปฏิบัติไม่อยู่แค่นั้นจริงๆถ้าเวลานั่งอยู่มันสบายเกินไปถ้าเราไม่ปรับให้พอดีจะออกมาเป็นอะไรเป็นเพลิน อ, ออเพลินแล้วก็ออกมาเป็นง่วงไม่แก้ไปตามนั่นแหละแต่ละความไม่สบายถ้าปรับไม่ปรับให้พอดีออกมาเป็นเพลอก่อนเผลอแล้วก็ฟุ้ง ฟุ้งล้วก็ไปหลายเรื่องแล้วกัน เ, เกิดจิตแต่สังขารเห็นไหมตัวตัวที่จะไปต่อไปเป็นอกุศลมันก็เริ่มไปทาง颂 ส, สองตัวนี่เองเพราะนั้นสองตัวนี่พร้อมที่จะเป็นนําไปสู่กุศลและอกุศลได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวตัวจักสําคัญที่จาต้องปรับก็คือตัวสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นในสติประฐานสีท่านจึงล็อกเอาไว้เลยละกุแจสําคัญมีอยู่แค่นี้อาตาปีสัมปชานสติมา นะถ้าเราเพียรด้วยการเอาสติสัมยะมาใชนะ้เพื่อให้เห็นความส่วนเกินของสุขของทุกข์แล้วปรับให้พอดีแล้วมันจะกำจัดความพอใจไม่พอใจกำจัดอภิชาตุมนัสออกไปก่อนคือนั่ น, นคือนามลูปปฏิเชตญาณกำหนดรู้นามลูปด้วยการมาปรับที่ สติสัมปชัญญะเมื่อสติมีเยญะพอดีแล้วนา ม, มารูปมันเกิดขึ้นไม่ได้ตัดตรงนั้นเลยนา ม, มารูปวิเพราะตัดตั้งแต่ยานแรกมันก็ไม่ต้องไปพิจาายานอื่นให้ลำบากละมันก็จะเห็นไปเองที่เกิดยานต่อไปเองดังนั้นเองในภาคปฏิบัติเราก็ทําอยู่แค่นี้นะทปรับไปปรับมาแต่ทีนี้ถามว่ายากหรือง่ายขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตัวพอดีเนี่ยง่ายหรือยาก แต่ส่วนใหญ่นิสัยแล้วก็ความอยากเดิมของเราคือเกินอะ่ะใช่ไหมอาหารอร่อยก็กินเกินเสียงอร่อยก็ฟังเกินรสอร่อยก็กินเกินรูปสวยก็ดูเกินชมเกินนะสัมผัสอร่อยก็พัก่อนนอนเกินนะคิดอร่อยอารมณ์ดีก็คิดเกินในส่วนนี้เป็นส่วนเกิน ที่เจะปรับให้เป็นมัชชีมาปฏิปทา <c oughs> แล้วตรนี้ที่พุทธเจ้าว่าผู้ปฏิบัติพึงละส่วนสุดทั้งสองทางนะส่วนสุดที่สองคือสุดโต้งทั้งสองทางทางที่มันเกินในฝ่ายสุเรียกว่ากลามมาสุขานุการส่วนที่มันเกินในฝ่ายทุกเรียกว่าอตัรกรนะิมมัานุโยนะซึ่ง ซึ่งท่านบอกง่ายๆนะแต่ว่าเราเอามาตีความหมายไปหลายหลายมิติมันก็ทําให้สับสนเวลาปฏิบัติมันเลยปฏิบัติยากเพราะฉะนั้น ว, วิธีที่นีทําให้ง่ายหลวงพ่อเทียนท่านเอามาพูดให้ง่ายโดยจะโดยธรรมชาติหรือบังเอิญก็ตามท่านไม่ได้มีโอกาสได้คลุกคีกับภาษาปริยัติได้คลุกคีกับภาษาชาวบ้านจึงนําเรื่องของนา ม, มาธรรมมาพูดภาษาพื้นบ้าน ฉาบันมันก็เลยสื่อความหมายที่ง่ายเพราะฉะนั้นหลักการโคดเฮียนที่ว่าเด่นชัดที่คนทั่วไปชอบเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษเแต่ความเรียบง่าย simplicity นะความเรียบง่ายในความเข้าใจและการกระทําที่เรียบง่ายด้วยนี่คือจุดเด่นซึ่งมันไปมาต่อมามาแมทกับปัจปจุบันเพราะปัจจุบันมันความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีสูงมันมีแต่ความสลับซับซ้อนใช่ไหม มันก็เลยแต่นิสัยใจคอคนดั้งเดิมมันไม่ชอบอะไรสาะระซับซ้อนหรอกเพราะนำไปสู่ปัญหาและความทุกขนะ์ถึงจะมันจเจริญเทคกนยิยูระดับซับซ้อนขนาดไหนก็ตามเนี่ยมนุษย์ก็ยังชอบความเป็นความเป็นธรรมชาติอยู่ดีความสงบและเรียบง่ายนะนั้นเองในวิทเทคนิคหลงพ่เทียนก็เลยคนปัจจุบันได้ต้อนรับกันได้เยอะเพราะว่าทําให้มันเรียบง่ายทั้งในส่วนที่เป็นลูกปธรรมและนมามประธรรม มันไม่มีอะไรซับซ้อนมันเปิดเผยตรงไปตรงมาตามหลักของพุทธธรรมนะตองนั้นเองเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาแล้ว เ, เริ่มลำดับละนี่หมายความว่าคนบางคนที่ต้องการศึกษาเรื่องนี้จริงๆนะว่าสามารถจะตามมาํำดับยิ่งตามลำดับยิ่งเห็นไปเห็นไปเห็นไปเนี่ยจิตของเรามันก็จะไหลไปสู่ทางมรรคทางผลโดยอัตโนมัติเพราะนั้นมาถึงไม่แปลกใจว่าเรื่อง ครั้งพุทธการที่ว่าโยมกับพระไปฟังธรรมด้วยกันจากสติปัฏฐานเรื่องเดียวกันนะแต่ผลออกมาคนละเรื่องเนะนี่ยพระหนีไปเขา้าป่าเข้าดวงบําเพนฌานบํ า, าบเพนอะไรออกมาใ น, นที่สุดพอได้โลคีฌานก็สำคัญตนผิดว่าเป็นโลกุตตรรก็คิดว่าตนเอกบรรลุแล้วนี่ก็ออกมามาถามโยมว่า โ, โยมผลการปฏิบัติไปถึงไหนบ้างพอมาเจอโยม โยมบอกเอาเรื่องนี้ไปทําในครอบในครัวในการทําการทํางานเก็บผักหักฟืนดูแลลูกดูแลสามีอย่างรู้สึกตัวไปในทุกเรื่องอย่างง่ายๆในที่สุดโยมคนนั้นเข้าถึงโลกุตละเป็นพระอนาคามีแล้วมีฤทธิ์ทางใจรู้ว่าอะไรเป็นไรด้วยเมื่อพระมาทดสอบปั๊บที่ไหนได้พระจะถูกทดสอบเองถูโยมทดสอบนัในที่สุดพระมันต้องเปลี่ยนกรรมฐานโยมบอกกรรมฐานให้ใหม่ ถึงจะกลับตัวมาทำใหม่ได้เห็นไหมนี่มันมันอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเราจึงทำกันแล้วทำกันอีกนะในวิธีการของพระเทียนท่านท่านพูดเรื่องเนี้ไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องที่ทำความเข้าใจเรื่องเนี้จนแฉมแจ้งนะถ้าอาจารย์กรรมฐานอื่นท่านก็นยังพูดไปกว้างขวางในเรื่องของตาหรับรลาลาประยุกต์กันหมดลัทธิประเพณีศีลธรรม อ่าจะได้ทําอะไรต่างๆก็กรวมกันไปหมดแต่นุภาเทียนเจาะในเรื่องนี้เจาะในเรื่องปรามัดเนี่ยมันถึงชัดเจนขึ้นมาเพราะในสมัยอยู่กับท่านที่วัดสนามในพูดวันหลายครั้งถ้ามีคนพูดก่อนกินข้าวขนาทานข้าวท่านก็ไม่ได้ทานกับเพื่อนให้เพื่อนทานไปก่อนท่านก็พูดทำไม่ฟังอหลังท่านแล้วต่อให้ฟังเสร็จแล้วเข้าไปปฏิบัติกันให้เต็มที่ ในช่วงปฏิบัติท่านก็มีเพียงแต่ว่ า, าคุณทำํำยังไงถูกไม่ถูกคนทำยังไงแค่นั้นนะไม่ต้องไปพูดกันในพระองเพื่ออะไรทีเนี้ยอย่มีแต่เช้าก็เย็นอตอนกลางวันตานฉันเข้าวในช่วงไหนที่มีกิจกรรมเต้องแทรกลงไปซึ่งเรื่องนี้มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่าในขั้นตอนเวลาเราไปปฏิบัติตรงเนี้ยที่เราพูดกันเยอะเพราะอะไรเพราะอินเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเข้าใจถูกแล้วแต่บางค น, นเข้าใจไม่ถูกรู้ยังไงว่าถูกไม่ถูกก็คนออกมามันต่างกันผลออกมาคนนี้ไปถึงไหนแล้วไม่คนนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็ฉันคือฟังมาเรื่องเดียวกันแต่ว่าผลออกมาคนละอย่างมัก็ต้องมาแก้ไขคนที่ยังเข้าใจไม่ถูกเนี่ยให้ถูกขึ้นนะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันบ่อยๆนะทีนี้วันนี้บทเรียนสาหรับวันนี้นะ เราจะไปดูวันก่อนเราพูดถึงเรื่องความชัดเจนของสติสัมผัสยะในระดับต่างๆในการตามรู้ในระดับต่างๆเราก็ได้เห็นผลชัดเจนขึ้นตามลํา ด, ดับนะความเครียดความเพ่งอะไรต่างๆที่เคยมีก็ <c oughs> ก็หายไป <c oughs> ความสงสัยความลังเลในระดับหนึ่งก็หายไปนะที่นี่มามาถึงวันนี้ ต้องระวังอยู่หนึ่งคือว่าตัวสติสัมปชัญญะที่มันยังลากยังไม่ลึกพอเนี่ยแต่เราไปใส่ปุ๋ยเล่งมันนี่นะต้องระวังตรงนี้ถ้าหากว่าโดนปุ๋ยเล่งเยอะๆนี่นะมันก็จะทำให้ลากเสียง่ายเหมือนกันหรือไปรดน้ำบ่อยๆใส่ปุ๋ยเยอะๆคิดว่ามันจะโต ว, วันโตคืนเนี่ยไม่ได้ถ้ามันเกินพอดีนะ เท่านั้นจะรู้ที่ความพอดีหมายความว่าทำเหมือนเดิมเนี่ยต้องให้โอกาสกับการอย่างรากของสติสัมปชัญญะการอย่างรากของสติสัมปชัญญะมันก็เหมือนรากต้นไม้เนี่ยแหละนะรากต้นไม้เมื่อค่อยอย่งไปอย่างไปอย่างไปเรื่อยๆตามฤ ด, ดูการเออรดูฝนก็อย่างรากได้เร็วหน่อยหนึ่งพอรู้ดูแรงหรือดูหนาวก็จะหยุดการขยายตัวหรือขยายตัวได้ค่อนข้างน้อยมาก แต่พอฤดูฝนฤ ด, ดูที่มีความพร้อมทังดินทางปุ๋ยทางน้ามันก็รีบขยายตัวกิ่งก้านดอกใบสาขาก็รีบปลงรีบแตกกันพอหน้าแล้งหน้าหนาก็ต้องหดตัวอยู่กับที่เหมือนกันในชีวิตจําวันของเราเนี่ยบางช่วงถ้าเรามีโอกาสนั่งทําเงี้ยเหมือนกันหน้าฝนละแต่บางช่วงเราจะต้องไปทํากิจกรรมต้องไปเข้าห้องน้าไ ป, นไปอาบน้าไปอานอาหารไปทํากิจ ตรงนั้นมันเหมือนหน้าแรงกับหน้าหน้าหนาวมันจะชะลอตัวเราก็ต้องไม่ถึงกับว่ามันแรงเกินไปจนกระทั่งเหลือแต่ดินเหลือแต่หินแห้งเลยไม่ใช่แรง ข, น, ขนาดนั้นแล้แรงม า, มากๆตายเหมือนกันต้นไม้นะก็แรงแต่พอดีๆนะทันะ้ง น, นั้นก็เหมือนกันหมายกับว่าในช่วงที่เราไปเกี่ยวข้องกับการกินกัน การอานการพูดการคุยการบริหารจัดการกิจกรรส่วนตัวเนี่ยซึ่งเราจะใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อไม่ให้ไม่ให้ดูแล้งมันยาวเกินไปเนี่ยเพราะว่าเรามีเวลาที่จะเป็นไปดูฝนดูนเนี่ยเพราะอะไรเพราะดูแล้งมันรอของเราอยู่แล้วเพียงแต่ออกจากที่นี่ไปก็เป็นดูแล้งนันทีทางน้ําทางปุ๋ยนี่หดทันทีแล้วนะเรนเลซายเพราะนั้นจะต้องเตรียมน้าเตรียมปุ๋ยไว้ตรงนั้นด้วยนะ ก็ไปก็เร็วออกเยาวัดไปนี่ก็เริ่มแร้งแล้วนะแดดแผงแผงแผงแล้วเขาถ้าไม่ฝึกประคับประคองให้เป็นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถโห้ความไปฤดูฝนของมันได้นานไม่ได้แต่ในฤดูแล้งนั่นเองเราสามารถที่จะประคับประคองใ น, นหน้าแรงเรามีก๊อกสองใช่ไหมเราก็ตั้งแทงให้น้ําทางสายยางให้น้ําทางจะเป็น อน้ําสปริงเกอร์น้ำน้ำหยดก็ตามแหละเอออย่าแรงขนาดไหนก็ต้นไม้ก็ไปรอดนั่นหมายความในชีวิตประจำวันที่ทํางานมันจะยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายกับเพื่อนร่วมงานกับพี่กับน้องกับเนกับฝูงอะไรกันต่างๆเนี่ยมันมันเหมือนแดดเผามาตลอดละ่ะทีนี้ตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็เหมือนสปริงเกอร์ในน้าหยดที่เขาเราคอยให้เงินเรื่อยๆรอเลี้ยงเรื่อยๆนะนี่ คือคือความรอดปลอดภยัยเพวันนั้นคนที่ไม่ฝึกฝนไม่ค่อยใจนี่ร้อยทั้งร้อยมันต้องทุกข์แน่นอนะมันต้องเจอแน่แหลงอย่างปีหนึ่งมันเข้าไปเกือบสิบเดือนหรือสองเดือนเนี่ย น, น่าคมันจะมันมันแหลงมาถึงสิบเดือนมันจะเหลืออะไรท่าไหม่มันก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกตายแล้วตายอยีกอย่างนั้นวันวันหนึ่งนะคนก็าด้วยเห็นคนวุ่นวายวันนั้นเสียงของความทุกข์มันก้องไปทั้งโลกทั้งหมดเสียงรถเสียงเรือเสียงเครื่องบินทั้ง บนบกใต้ดินใต้น้ําก็ะหึ่มกันทั้งโลกคือเสียงของทุกของมนุษย์นั่นถ้าเราไม่คิดมันดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นางธรรมดานเราไปดินได้ยินเสียงทุกขของเพิ่นมนุษย์คนมันอยู่ในบ้านไม่เป็นต้องเอารถมาขับกลางถนนยอมเสียเงินเสียทองเสียน้ํามันเสียอะไรต่างๆมันก็ต้องหาความสมเหตุสมผลเพื่อไปทํางานไปหางานไปกินมีข้าวแล้วก็แต่จะต้องหาเรื่องไปเพราะลึกๆแล้วมันคืออยู่เฉยๆไม่เป็น่ นั่นพว ก, กเกษียณมาส่วนใหญ่เมียนต้องป่วยต้องตายไวพอ่วพออะพราะไม่มีแมไรำก็อยู่ไม่เป็นก็ป่วยก็ตายแต่คนที่ฝึกฝนมาแล้วเนี่ยยิ่งกเกษียณเราก็ยิ่งมีโอกาสได้ได้ฝึกฝนะ่ะนะดังนั้นเองในแง่ของความแห้งแล้งทางใจเนี่ยนะทางนอกมันมีสามดูดูการบ้านเรานะดูฝนดูแลงดูหนาวทมีป ก, ก็จะมี ฤดูหนาวก็ดูแล้งฤดหนาวก็ยาวกว่าใช่ไหมความจริงก็ดูฤดูหนาวก็ดูแรงแต่เอามาแยกเป็นในส่วนช่วงเวลานั้นอัไรเงนะบ้านเราก็จะถ้าแยกเป็นสีดูก็ได้เหมือนกันดังนั้นดูฝนน่ยมันก็คือฤดูกาลแห่งความสุขความชอบที่ออกเป็นราคะาดูแรง ก็อาความไม่ชอบความหงุดหงิดความบุ่นวายความฉุนเฉียวความไม่พอใจเป็นฤดูแรงจิตใจแห้งแรงฤดูหนาวก็คือโมหะเป็นความขมุขขโมวของอากาศความเย็นจัดเป็นโมหะราค่าโทสะโมหะก็คดอฝนฤดูดนหนาวและฤดูแรงนั่นเองในฤดู ก, การภายนอกนะ แต่รดูการภายในคือความพอใจไม่พอใจคือความเฉยเฉยก็มีสามฤดูการเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางเมืองไทยเราทางตะวันออกเราจัดฤดู ก, การได้ถูกตามสภาวธรรมนั้นในใจของเราเนี่ยลองมาดูว่าในสามฤดู ก, การเนี่ยฤดูการอันไหนยาวกว่าลองลองลองพิจารณาดูเพืเ่อจะหาคําตอบแก้ไขเอาม า, มาปรับอินทีย์ของตัวเองได้ให้เหมาะสมกับฤดู ก, การระหว่างความ พอใจไม่พอใจความเฉยเฉยเนี่ยอันไหนมียาวกว่าในชะีวิตประจำวันของเราโดยโดยรวมนี่แหละคือบทเรียนในวันนี้ต้องไปดูนะว่าระหว่ า, างความรู้สึกสามประการเนี่ยแต่มันก็มีต่งสถานการณ์อย่างใ น, นสถานการณ์เ น, นการฝึกฝนในสถานการณ์เรียกว่าลงฝึกหรือสนามเพาะเนี่ย เราสามารถจะยืดฤดู ก, การที่เราต้องการได้ในความพอในขณะปฏิบัติเรามี3ามความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยเฉยค้สึกสบายไม่สบายเป็นกลางตอนแรกก็มาดูลูอฤดูการทางกายซะก่อนฤดูการทางกายก็มีสามคือความสบายไม่สบายแล้วก็เฉยเฉยแต่ใ น, ในสถานการณ์ปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกเป็นกลางกับสบายไม่สบายอันนั้นยาวกว่าไปดูให้ละเอียดวันนี้นะ ตอนเย็นเรจะม า, มาแชร์กันและฤดูการทั้งสามเนี่ยถ้าไม่ได้รับการเอาใจใส่จํากัดขีดเส้นให้มั น, นมันก็จะเดินล่วงฤดูการจากบนดินไปใต้ดินแหละนั่นคือเข้าสู่จิตเมื่อเข้าไปใต้ดินยากขึ้นเดีไองค์กรใต้ดินมันไม่ใช่เรื่องไ ง, ไงนะ่ายงนั่นหมายความว่าถ้าทั้งสามฤดูการพอใจไม่พอใจเฉยๆเข้าสู่จิตปับ๊บมันมาเป็นพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจ แล้วก็เฉยๆเนี่ยก็จะแก้ยากละตดี๋ยวนั้นเพราะฉะ น, นั้นฝึกแก้ฤดูการทางความรู้สึกทางกายนี่เป็นหลักไว้ก่อนว่าความรู้สึกสบายไม่สบายก็เป็นกลางเนี่ยอันไหนมากกว่าทีนี้ไอ้ความเป็นกลางอุทุกข์ขมสุขตดี๋ยวนั้นนะสามารถเทียบถ้าเราแก้สองตัวได้ถูกมันก็ตัวเฉยๆโด น, นการมาเป็นมัชชิมาปฏิปทาเป็นกลางทางสายกลาง แทนที่จะไปเป็นถ้าหากว่าทางกายก็คือตัวทางสายกลางนั้นเป็นชื่อถ้าทำให้พอดีมันเกิดเป็นปัญญาความาถ้าปรับในส่วนที่สบายเป็นเป็นศีลปรับความไม่สบายเป็นเป็นสมาธิแต่ปรับความเป็นกลางได้ถูกต้องเป็นปัญญาเพราะนั้นศีลที่ปัญญาก็คือการปรับจากตัวเวทนาทั้งสามใช่ไหม ดังนั้นถ้าหากไม่ได้ปรับเวทนาทางกายทั้งสามไม่เป็นโอกาสที่เวทานาทาั้งสามจะเปลี่ยนมาเป็นไตรสิขาหรือสีปัญญาเนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยมันกลายเป็นอะไรราคะโทสะโมหะตลอดเวลาวันนั้นคนทั้งโลกนัเป็นทุกข์ไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะเขาไม่ได้ฝึกแม้แต่ฝึกแล้วถ้าฝึกไม่ถูกนะเขาต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เราจะไปตกใจอะไรกับคนเป็นทุกข์ ใช่ไหมเมื่อกี้หลวงคุณไปยอมเยียบโยมเยียบส่งเท็กเข้ามากลับไปนี่ที่แกกลับไปเนี่ยแกได้อารมณ์ใช่ไหมไปชวนเพื่อนคนหนึ่งที่แกรักมากๆปฏิบัติเพื่อนตีกลับแกเลยโอ้โหติดอารมณ์มากเลยเอแกไม่สบายแกทําไปฉันสบายแล้วฉันไม่ต้องทําก็ได้น่ะโอ้โหไปเจอเขาลุนี้แกเแกเกิดติดอารมณ์จะออกยังไงหลวงพ่อเห็นไหม เพราะตัวเองยังไม่ไม่เข้มแข็งพอนีแต่ด้วยความที่มีความมีความใยแต่ว่าคนที่ได้อารมณ์แล้วก็มีปัจสนุเล็กๆมันก็เริ่มเข้านะอยากจะคิดช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ตามไม่ทันความความคิดเพราะฉะนั้นการปรับทั้งสามดูดูการเนี่ยถ้าเราทําได้ดีๆแล้วเข้าสู่ความเป็นกลางคือมัชชิมาปฏิปทาที่ว่าอุเบขาก็ดี ทุกขมสุขเวทนาก็ดีอนัตตาก็ดีถ้าปรับเป็นกลางได้มันเป็นมันชฌิมาปฎิปทานะไปง่ายๆตรงนั้นเลยถ้าปรับไม่ได้มันก็กลายไปเป็นสุดตรงทั้งสองทางสุดขั้วคือไปติดสุขติดทุกข์อย่างที่ทั้งโลกเขเป็นสุขทุกข์ก็คือส่วนเกินของเวทนาที่เราไม่ได้ปรับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสชู ประเด็นนี้ขึ้นมามันสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งรูปรูปทำนามธรรมเลยนะว่าให้ตัดส่วนเกินอย่าเอาส่วนเกินนะั่นหมายความว่าส่วนเกินหมายถึงท่านจะพูดว่าจะเข้าไปยึดในส่วนสุดโต่งทั้งสองทางส่วนเกินในฝ่ายสุขและส่วนเกินในฝ่ายทุกพุทธเจ้าท่านบอกให้ละความสุดโต่งทั้งสองทางนี้เสียใช่ไ้มแต่ท่านมาใช้ภาษาที่เสื่อกันได้นะปัจจุบัน พอพูดถึงว่าส่วนเกินเนะี่ยคนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าว่าสุดตรงในเรื่องสุขทุกข์ใช่ไหมมันยังเป็นภาษารหัสอยู่แต่ว่าไอ้ส่วนเกินนี่คนนึกออกโอ้คุณควรจะมีรองเท้าสักคู่หนึ่งแต่นี้คุณมีทั้งสิบคู่อ่ะคุณซื้อมาแล้วก็ทิ้งซื้อมาแล้วก็ทิ้งอันไหนไม่ชอบใจก็ทิ้งคุณมีเสื้อผ้าทั้งสิบชุดยี่บชุดอ่ะจริงคุณใช้จริงๆริงวันนึงไม่เกินสามชุดอย่างเงี้ยถ้าเขาตัดส่วนเกินเนี่ยโลกมันจะเหลือเฟือ เราเฉลี่ยวความสุขให้คนทั้งโลกได้อย่างเหลือเฟือเลยแต่ดีที่โลกเต็มไปได้วยความขาดแคลนเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมันใช้ส่วนเกินของธรรมชาติเยอะเกินไปใช่ไหมป่าเขาลเนาวไพ่หนุ่ยน้องคลองบึงอากาศดินฟ้าอากาศเริ่มขาดหมดเลยเพราะคนไปใช้ในส่วนเกินเห็นไหมมันมันเพราะท่านคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ถ้าหากเรามองให้ทะลุลึกแล้วเนี่ยโอ้โหมันครอบคลุมทั้งหมดทั้งทั้งโลกเลยอะแต่นื่นจากว่าเราตีบทไม่แตกไง ที่เราทุกทุกพจนเกินนะถ้าเราทําให้พอดีกว่นี้ง่ายกว่านี้นะมันจะความสุขไม่ต้องหาให้ลำบากเลยต้องไปดูบ้านเราเราที่ว้านเป็นนักปฏิบัติแล้วส่วนเกิน ย, ยังเยอะอยู่ใช่ไหมที่บ้านอเตร็มไปหมดแล้วก็ลัทธิวัตถุนิยมการไปชอปปิ้งเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเลยใช่ไหม <c oughs> อาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ได้ไปชอปปิ้งเนี่ยโหรู้สึกว่าแมมันขาดอะไรไปบางอย่างชีวิตเห็นไหม เพราะนันชวิตในการหาส่วนเกินมันกลายเป็นวัฒนธรรมทีนี้อาการแก้มันจะไปแก้ที่ไหนจับต้นชนไปไม่ถูกก็มีทางเดียวคือจะต้องมาฝึกฝนวิปัสสนาคือมาฝึกเอาส่วนเกินทางเวทนานี้ออกก่อ น, นเมื่อเราตัดส่วนเกินได้เงินทองที่เราพอหาได้เป็นไงมันก็เริมเก็บเล็กผสมน้อยได้แล้วใช่ไหมอาการขนขวายไปื่หาเงินหาทองเยอะเยอะเนี่ยมันก็จําเป็นน้อยลง แล้ชีวิตเราก็จะมีความเบาสบายแล้วมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วเงินไขที่มาผูกมัดเราบอกว่าโอไม่มีเวลาจะมาปฏิบัติมาไม่ได้เลยลาไม่ได้เลยมันจะไม่มีแต่ที่มันมีพวกเรายังละส่วนเกินยังไม่ได้คุณเฉดากลับไปบ้านเที่ยวนี้ไปดูแล้วเกินมานเอาออกให้หมดประเทศไทยกําลังเดือดร้อนน้ําท่วมเลยหลวงพ่อตั้งกองทุนขึ้นมานี่เรื่องนอกเรื่องเลยนะตั้งกองทุนมาเรื่องน้ําท่วมพอดีน้ําท่วมรอบสองนี่หนักกว่าเก่านะตอนนี้กําลังเป็นอยู่ตั้งแต่ประจวบลงไป ถึงสุราษฎนักพอดีเราตั้งกองทุนที่ขึ้นมาก็คุณก็บริจาค ก, ก, กันเลยให้เขาบริหารกันดังนั้นเห็นว่าโลกนีมน่มันใช้ส่วนเกินเยอะเกินไปเมื่อมันเกิดการขาดแคลนในบริเวณนี้มันก็เกิดการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ น, นี่พูดถึงเรื่องในส่วนเกินทางนในโครงสร้างแต่ส่วนเกินในระดับละเอียดเนี่ย ก็คือการที่เราไม่ทันเห็นเวทนาที่เรานั่งเนะี่ยเรานั่งนานเกินไปเกินไม่ขยับเกินหลักนักเรามันทําให้จิตแปรปวนแล้ใช่ไหมเราสังเกตให้ดีจิตแปรปวนก็ารู้สึกนั่งทนนานมาได้มีอะไรมาทําให้ต้องนิ่งต้องอยู่ตรงนั้นงุนงิ ด, งดลาคาญเบือ่ออยากจะลุกอยากจะหนีหาเรื่องไปทําน้นทำนี้มันก็หาทางออกของมันเองอ่นะแต่มันมันสมเหตุสมผลนะธรรมชาติ แต่ความจริงลึกๆเรามันคือเบื่ออะไรสักอย่างลึกๆเนี่ยแต่เรามองว่าเห็นถึงรากของมันแต่ถ้าเราอนุปัสนามันทันเนี่ยตามเข้าไปดูรากตรงนั้นมันก็จะเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นตัวปัญญาขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่คนขาดโอกาสในการที่จะฝึกฝนแทนที่จะเข้าไปเปลี่ยนรากเปลี่ยนรูทของส่วนเกินทั้งหลายที่มันแสดงออกมาข้างนอกเนี่ยให้มันปรับเปลี่ยนให้มั น, เ ป, นเป็นตัวปัญญา เพราะเขาไม่ได้ทําวิปัสนาเพราะนั้นเมืองไทยของเราเป็นสมถะเก้าสิเปอร์เซ็นตะวิปัสนาสมัยที่มาเข้าไปหานภูเทียนถามท่านะั้นมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์พูดถึงวิปัสนาบัลลังก็พมันไม่มีถึงสองเปอเซนตะแต่เดี๋ยวนี้วิหันมาสามสิบกว่าปีแล้วมันน่าจะถึงสิบเปอเซนได้แล้วนะมันน่าจะเพิ่มได้แล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์ฝึกสติเดี๋ยวนี้ใครกรรมฐานสายไหนถ้าไม่พูดถึงเรื่องฝึกเรียสตินะค่อนข้างจะตกยุคไปเัมือนก็ ลูกษามันพูดนพูดเรงเรื่องเจริญสติต้นกําเนิดเรอไปจากเนจากหลงพ่อเทียนนี่แหละโดยการพวกเราที่ปฏิบัติได้ผลแล้วก็ออกมาลงดลงช่วยกันว่าเพื่อนมุดของเราน่าจะต้องมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ลองไปดูว่าทั้งสมอย่างส่วนเกินทางสบายมันออกมาผลมันออกมาเป็นอย่างไรคุณก็ต้องตามดูผลมันด้วยนะถ้าหากเราปรับมันเสก่อนผลมันเป็นอย่างไรถ้าปล่อยให้มันยาวไปผลออกมาเป็นอย่างไร ต้องพิสูจน์ น, นะนะไม่ใช่ไปกลัวนะแต่ต้องการพิสูจ น, น์ถ้าในส่วนเกินในฝ่ายไม่สบายถ้าปล่อยเป็นนานๆผลมาเป็นยังไงถ้าไม่ต้องปล่อยมันพอทุนได้เราเปลี่ยนผลมันเป็นยังไงนะถ้าแต่ส่วนเกินทั้งสองส่วนนัอันที่สามมันจะไม่เกิดเป็นตัวไอ้อทุกขมรสุขอุเปขาสัมพชฌงหรือโมหะมันจะไม่เปลีป่ยนเป็นวยนั้น แต่มันจะเปลี่ยนเป็นตัวปัญญาเปลี่ยนไปเป็นญาณและมีปาาัจจัยญาณไปทางสายนั้นเลยนะถ้าปรับสองตัวให้สมดุล น, นะตัวที่สามมันเป็นผลนะถ้าว่าไปถ้าปรับสองตัวนี้ได้ได้ถูกต้องปรับสุดตรงทางการมรรคคนิยกให้พอดีปรับอันใดก็มาเป็นมันชิมาไอความมัชิมามันก็จะบูรณาการออกไปถึงตั้งแต่สมมาสัง สมาธิทีไปนะจนไปถึงสมายานสมาวิมุตต์นันผลสุดท้ายของมันทำทั้งมรรคทั้งแที่ถูกต้องผลออกมาเป็นสมายานสมาวิมุตตเป็นมรรคสิบดังนี้เรื่องนี้จะต้องดูเผินๆไม่ได้ถ้าเราหวังที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นมรรคเป็นผลอย่างจริงจังนะแล้วทำให้มันปรากฏแล้วสิ่งนี้ชีวิตที่เหลือเราอยู่3 0 4สิี่สิบปีถ้าไม่ตายซะก่อนนะ เราจะเป็นประโยชน์ต่อขนมนุษย์มหาศาลนะเรามนุษย์ในยุคต่อไปเป็นมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์จากส่วนเกินมากขึ้นมากขึ้นแล้วฝ่ายมนุษย์ส่วนหนึ่งก็จะออกหาทางออกและมนุษย์กลุ่มนี้แหละที่จะออกมาช่วยโลกนะนะออกมาช่วยโลกโด้วยการบอกข่าวอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ใช่ใชเรื่องเหลือวิสัยที่จะทํากันไม่ได้ทําได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคําพูดคําสอนอะไนที่เหลือวิสัยเนี่ยไม่เป็นสวากาตะทำ ถ้าเป็นสวัสดิธรรมนุษย์ทุกคนต้องทําได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีตัวรู้อยู่ใช่ไหมส่วนจะพัฒนาตัวรู้เนี่ยไปทางถูกทางผิดได้มากได้น้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับกาลยายนมิตรเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราจึงต้องไม่พลาดโอกาสเพื่อนขวงเราแต่ว่าคนเหล่านั้นจะมีโอกาสมา พบกิเลสนามิตรหรือไม่เ น, เ, นเนี่ยก็เป็นแล้วแต่วัสนาบาณามีแล้วแต่วิบากอย่างที่ว่าถ้าวิบากบุญมากเกินไปก็ไม่สามารถจะพบได้คนที่เขาสบายแล้วคิดว่าเขาสบายนคิดว่าไม่ใช่สบายจริงๆคิดว่าตัวเองสบายเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้คนที่ว่าเขาลำบากยากจนเกินไปไม่มีเวลาที่จะมาสนใจเรื่องนี้ต้องยุ่งกับการทํามหายกินก็จะไม่เจอเรื่องนี้เนี่ยวิบากกรรมวิบาก กรรมมากก็มาไม่ได้วิวากบุญมากก็มาไม่ได้แต่วิบากที่มันแก้ได้เนี่ยเขาเรียกเป็นวิวัตวิวัฒนาการและแก้ได้พราะวิวัฒนาการได้ถูกทางมันเกิดการวิรัตคือเจตนางดเว้นในส่วนที่เกินในส่วนเกินได้แล้วมันก็มยสู่วิมุติคือหลุดพ้นจากความเกินพอดีเห็น ไ, ไหมนี่ วิบากมันเป็นกลางนะแล้วแต่ว่ามันจะไปทางบวกหรือทางลบถ้าวิบากไปทางบวกมันก็ไปสู่สุขติภูมิวิบากไปทางลบมันก็ไปสู่ทุกขติภูมิแต่ถ้าเราเคยเจริญวิปัสนาแล้วเนี่ยมันเป็นวิปัสนาเปลี่ยนวิบากมาเป็นวิปัสนาและวิปัสสนากจะดาไปสู่วิวัตและวิรัตและวิมุตในที่สุดจะไม่ไปสู่วิบัต มีบากัะนั้นเองเราต้อ ง, องพยายามทำสามจุดให้ชัดเจนเพราะมันเป็นพื้นฐานของคนทุกคนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยใช่ไหมควรู้สึกสบายไม่สบายเป็นการเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยวันนั้นดังนั้นวันนี้ลองเอาไปดูนะว่าทั้งสามส่วนความรู้สึกสบายขอบเขตมันแค่ไหนเราสัมผัสได้แค่ไหนถ้าเป็นไปได้ก็ต้องวันนี้เราถ้าได้ตื่นนอนมาเราตามมาได้ก็เริ่มต้ดีนะขออนุโมทนา ในความตัง้งใจให้กระเาะพ้อมกัน